แทบบาดมูลของพระพุทธเจ้าที่ปังกร อ, อย่างนี้แล้วก็ดิ่งลงสู่บา ร, รมีสาครในการภายหลังได้รับพยากรณ์ในสำนักของพระพุทธเจ้าที่เสด็จอุบัติขึ้นมาพระเหตุนั้นพระพุทธรักิตาจารย์จึงกล่าวว่าพระโพธิสัตว์นั้นบูชาแล้วซึ่งพระชิ น, นวรทั้งหลายผู้หาใครเทียบมิได้ที่เสด็จอุบัติขึ้นแล้ว และเสด็จอุบัติขึ้นแล้วอย่างไม่มีเหลือผู้ที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายทั้งหลายนั้นกำหนดพยากรณ์แล้วว่าบุรุษนี้จะตัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าบูชาแล้วซึ่งพระดํารัสอันไม่มีเหมือนของพระชินเจ้าทั้งหลายนั้นๆด้วยเสียรกล้าวอดกลั้นทุกนั้ น, น, นแล้วบาเพ็ญบารมีที่ประทานคุณทั้งสิ้นให้ ในคาถานั้นมีอธิบายดังนี้พระโพธิสัตว์ของเราทั้งหลายบูชาแล้วซึ่งพระชินวรทั้งหลายผู้หาใครเทียบมิได้ที่เสด็จอุบัติขึ้นแล้วเสด็จอุบัติขึ้นแล้วแม้ชีวิตก็ไม่เหลือคือไม่มีต่วนเหลืออันพระพุทธเจ้าทั้งหลายนั้นๆกําหนดพยากรณ์แล้วคือตรัสแล้วโดยส่วนเดียวนั่นแหละ ว, ว่าพระมหาบุรุษนั้นจะเป็นพระพุทธเจ้าคือว่า จกเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตคําว่าภวะติจะเป็นในที่นี้กล่าถึงปัจจุบันการดุจจะพึงมีในขณะนั้นท่านกล่าวไว้เพื่อแสดงภาวะที่มีความเป็นไปโดยส่วนเดียวคือเป็นแน่นอนแม้ในพระบาลีท่านก็กล่าวไว้โดยคการเป็นปัจจุบันการอย่างนี้ว่าด้วยอธิการคือกุศลอันยิ่งใหญ่นี้ที่เราได้ทําแล้ว ในพระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นผู้สูงสุดแห่งบุรุษเราจะบรรลุพระสัพพัญยุตยานจะช่วยหมู่ชนเป็นอันมากให้ข้ามพ้นได้พระโพธิสัตว์บูชาแล้วซึ่งพระดำรัสอันไม่มีเหมือนคือไม่ทั่วไปของพระชินจ้าทั้งหลายนั้นๆด้วยเสียงกล้า ว, ค, ว, ว, วคือด้วยอวิยวะคือด้วยอวัยวะอันสูงสุดของตนคิดแล้วว่าอันพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ้องเป็นผู้มีพระดำรัสไม่เป็นสองเราจะกตัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแน่นอนแต่ความเป็นพระพุทธเจ้าย่อมไม่สำเร็จด้วยข้อปฏิบัติทั่วไปแต่จะสำเร็จได้ด้วยกำลังแห่งบารมีที่ไม่ทั่วไปและความเป็นพระพุทธเจ้านั้นย่อมไม่มีแก่ผู้ที่ขาดขันติเมตตาและความการุณาเพราะฉะนั้นเราจะไม่โกรธบุคคลอื่น แม้เขาจะตัดมือเทา้าหูจมูกและศีรษะจะอดกลั้นทุกนั้นๆที่สัตผู้บาททั้งหลายนั้นๆทําให้อดกลั้นทุกนั้ น, น, นแล้วคําว่าสักกะระคุณะดะดังที่ประทานคุณทั้งสิ้นให้มีอธิบายว่าบาเพ็ญบารมีสามสิบทัศที่ประธานพระพุทธคุณแม้ทั้งสิ้นให้จริงอย่างนั้น ภายหลังจากพระพุทธเจ้าทีปังกรล่วงไปหนึ่งอสงไขในกัปหนึ่งพระศาสดาพระนามว่าโกลทัญยะเสด็จอุบัติขึ้นแล้วในครั้งนั้นพระโพธิสัตว์นี้สวยพระชาติเป็นพระเจ้าจักรพรรดิพระนามว่าวิชิตาวีได้ถวายมหาทานแด่พระสงฆ์มีพระพุทธเจ้าทรงเป็นประธานเป็นเวลาสามเดือนได้รับการพยากรณ์แล้วบวชในพระศาสนา เรียนจบพระไตรปิฎกยังพระศาสนาให้รุ่งเรืองแล้วจากพระศาสนาของพระพุทธเจ้าทีปังกรนั้นล่วงไปอีกหนึ่งอสงไขในกัปหนึ่งพระพุทธเจ้าสี่พระองค์คือพระพุทธเจ้ามังคลระพระพุทธเจ้าสุมนณะพระพุทธเจ้าเรวตะพระพุทธเจ้าโสพิตะบังเกิดขึ้นแล้วในบรรดาพระพุทธเจ้าเหล่านั้น ในการแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามังคละพระมหาบุรุษสวยพระชาติเป็นพราหมณ์ชื่อว่าสุรุจิมียศนับมิได้มีโภคะนับมีได้ศึกษาจบไตรเพศพระมหาบุรุษนั้นได้ฟังธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วเลื่อมใสได้นิมนติตุหนึ่งแสนโกดซึ่งมีพระพุทธเจ้าทรงเป็นประธานให้นั่งในมณดที่เท้าสั ก, กะเนรมิดไว้ ได้ถวายมหาทานควะปานะเจ็ดวันทานที่ชื่อว่าควะปานะเป็นโภชนะที่ปรุงใส่น้ำนมเต็มตุ่มใบใหญ่แล้วยกขึ้นวางบนเตาไฟเมื่อน้ำนมสุกแห้งจับก้อนก็ใส่ข้าวสารทีละน้อยแล้วปรุงด้วยน้ำผึ้งน้ำตากลกรวดและฟองเนยใสจนสุกโภชนะนี้แหละชื่อว่าโภชนะที่มีของอร่อยสี่ชนิด พวกมนุษย์ไม่อาจจะปรุงเลี้ยงดูเทวดาทั้งหลายปรุงเลี้ยงดูมณฑปกว้างสิบสองโยตไม่เพียงพอภิกษุทั้งหลายนั่งด้วยอนุภาพของตนของตนในวันสุดท้ายพระมหาบุรุษได้ถวายเนยใสเนยข้นน้ำผึ้งน้ำอ้อยน้ำอ้อยงบเต็มบาทแก่ภิกษุทั้งปวงได้ถวายผ้าสาดกพอจะตัดเย็บไตรชีวอนแก่ภิกษุทั้งปวง ถ้าสาดกที่พระนวกะในสงได้รับถวายมีราคาหนึ่งแสนกหาปณะพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพยากรณ์ในสมาคมนั้นว่าพราหมณ์นี้จัะตัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพระนามว่าโคดมในอนาคตจากพระศาสนาของพระพุทธเจ้ามังคละนั้นในการแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าสุมาณะพระโพธิสัตว์สวยพระชาติเป็นพญานาค ชื่อว่าอัตุระมีฤทธานุภาพมากพญานาคอัตุระนั้นได้ฟังข่าวว่าพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกแวดล้อมได้หมู่ญาติมากระทำการขับกล่อมด้วยดนตรีทิพย์แต่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นกับสาวกบริวารหนึ่งแสนโกดถวายมหาทานอย่างทั่วถึงถวายผ้ารูปละคู่ตั้งอยู่แล้วในสรณะทั้งหลายกระสาสดาแม้พระองค์นั้น ก็ได้ทรงพยากรพญานาคนั้นแล้วว่าพญานาคนี้จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตจากพระศาสนาของพระพุทธเจ้าตุมณะนั้นในการแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าเรวตะพระโพธิสัตว์สวยพระชาติเป็นพรามชื่อว่าอติเทพในรัมมะวดีนครได้ฟังธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าตั้งอยู่ในตรรณะทั้งหลาย ได้กล่าวสรรเสริญพระทศพลหนึ่งพันโสลกแล้วบูชาพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยผ้าห่มราคาหนึ่งพันกะหาปณะนะพระสาสาดาแม้นั้นก็ได้ทรงพยากรพรามนั่นแล้วว่าพรามนี้จกตัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตจากพระศาสนาของพระพุทธเจ้าเรวตะนั้นในการแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าโสพิตะ พระบพธิษัตวสวยพระชาติเป็นพรามชื่อว่าอชิตะได้ฟังธรรมแล้วตั้งอยู่ในสารณะทั้งหลายได้ถวายมหาทานแก่สงฆ์ซึ่งมีพระพุทธเจ้าทรงเป็นประธานเป็นเวลาสามเดือนพระศารดาแม้พระองค์นั้นก็ได้ทรงพยากรพรามนั้นว่านับไปอีกสองอสงไขยหนึ่งแสนกับในอนาคตพรามนี้จกตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพระนามว่าโคดม จากพระศาสนาของพระพุทธเจ้าโสพิตะนั้นล่วงไปอีกหนึ่งอสงไขในกัปหนึ่งพระพุทธเจ้าสามพระองค์คือพระพุทธเจ้าอะโนมัตสีพระพุทธเจ้าปทุมะพระพุทธเจ้านารทะบังเกิดแล้วในบรรดาพระพุทธเจ้าเหล่านั้นในการแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าอะโนมัตสีพระโพธิสัตว์สวยพระชาติเป็นยักษ์เสนาบดีมีศักดา ฤทธานุภาพมากเป็นเจ้าแห่งยักษ์หลายแสนโกรธยักษ์เสนาบดีนั้นได้ฟังข่าวว่าพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกจึงมาสร้างบนดกรัตนะเจ็ดประการแล้วได้ถวายมหาทานแก่สงฆ์ซึ่งมีพระพุทธเจ้าทรงเป็นประธานเจ็ดวันพระศาสดาแม้พระองค์นั้นทรงพยากรณ์ยักษ์เสนาบดีนั้นว่ายักษ์นี้จัก ต, ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคต จากพระศาสนาของพระพุทธเจ้าอนโนมัตสีนั้นในการแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าปะทุมะพระโพธิสัตว์สวยพระชาติเป็นสีหะคือเป็นรัชสีได้เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าเข้านิโรธาสมาบัติอยู่ในราวป่าเจ็ดวันมีจิตเลื่อมใสไหว้แล้วเดินเวียนขวาเกิดปีติโสมนัสบรรลือศรีหนาสามครั้งไม่ละปีติ ซึ่งมีพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์เป็นเวลาเจ็ดวันไม่ออกไปหากินก็มีความสุขที่เกิดจากปีตินั่นเองกระทาการสละชีวิตยืนเฝ้าอยู่ใกล้ๆในครั้งนั้นพระศาสดาทรงออกจากนิโรธาสมาบัติทรงตรวจดูจิตของสีหะทรงดาริว่าสีหะจักทำจิตให้เลื่อมใสแม้ในพิกูปสงแล้วทรงดาริว่าพิจูปสงจงมา ในขณะนั้นภิกตุประมาณหนึ่งโกดได้มาประชุมกันปิติสมนัติอย่างมากเกิดขึ้นแก่สีหะนั้นเพราะได้เห็นภิกษุเหล่านั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเห็นเหตุนั้นแล้วทรงพยากรณ์ว่าสีหะนี้จะตัดสรุ้เป็นพระพุทธเจ้าพระนามว่าโคดมในอนาคตสีห์แม้นั้นได้ทราบแล้วดุจพระศาสดาตรัส ด, ด้วยภาษาของตน จากพระศาสนาของพระพุทธเจ้าปทุมะนั้นในการแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนาบว่านาราทะพ ร, ะพระโพธิจัตบวชเป็นฤาษีบรรลุอภินยาพละก็หมายถึงกําลังแห่งวิปัสสนาที่มีพลังเริ่มเห็นแจ้งอนิจจังทุกขงังอันจะนำมาซึ่งอภินยาและอตมาบัติให้เกิดขึ้ น, นก็หมายถึงว่ามีกาลังของอภิญญาห้า ลซึ่งเกิดจากาที่มีวิปัสนาคือพิจารณาอนิจจังทุกขังเพราว่านัตตนี้ยังไม่เป็นไปนะก็พระโพ ธ, ธิษัตว์ น, นั้นเป็นฤาษีอยู่ในป่าหิมพานพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่านาระทะแวนล้อมด้วยพระอรหันต์แปดสิบโกธและอุบาสกผู้ดำรงในอนาคามิผลหนึ่งหมื่นคนได้เสด็จไปยังอาสมนั้นเพื่ออนุเคราะห์ดาทนั้น ดาบทเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็มีใจเบิกบานได้สร้างอาสมเพื่อให้พระผู้มีพระภาคเจ้ากับบริวารพักอาศัยกล่าวสรรเสริญคุณของพระาศาสดาตลอดราตรีทั้งสิน้นได้ฟังธรรมกถาของพระผู้มีพระภาคเจ้าในวันรุ่งขึ้นได้นำอาหารมาจากอุตรกุรุทวีปแล้วได้ถวายมหาทานแก่พระพุทธเจ้าพร้อมทั้งบริวาร ได้ถวายมหาทานเป็นเวลาเจ็ดวันอย่างนี้แล้วได้นำไม้จันแดงอันหาค่าบิดามาจากป่าหิมพาแล้วบูชาพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยไม้จันแดงนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงพยากรณ์ในสมาคมนั้นว่าล่วงไปอีกหนึ่งอสงไขยหนึ่งแสนกับในอนาคตดาบทนี้จาก ต, ตรรุ้เป็นพระพุทธเจ้าพระนามว่าโคดม จากพระศาสนาของพระพุทธเจ้านารถานั้นล่วงไปหนึ่งอสงไขกกับในกับหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าปะทุมุตต ะ, ะเสด็จอุบัติขึ้นในครั้งนั้นพระโพธิสัตว์เกิดเป็นชดินนามว่ารัตถิยะสะสมทรัพย์ไว้หลายโกดเขาได้ถวายมหาทานพร้อมทั้งชีวรแต่สงมีพระพุทธเจ้าทรงเป็นประธานพระศาสนาแม้นั้นก็ได้ทรงพยากร ฉดินนั้นว่าอีกหนึ่งแสนกับในอนาคตชดินนี้จกตัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพระนามว่าโคดมชาตินี้ก็ในสมัยพระพุทธเจ้านาระ t h เป็นฉดินนะชื่อว่ารัตถยะหรือว่าบางที่ก็แสดงว่าชื่อว่ามหารัตถโย ο. ในการหลังจากพระพุทธเจ้าปฐุมุตระนั้นล่วงไปอีกเจ็ดหมืนกัปในกัปหนึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสองพระองค์คือพระพุทธเจ้าพระนาวาสุเมทะพระพุทธเจ้าพระนาวาสุชาตะเสด็จอุบัติขึ้นแล้วในบรรดาพระพุทธเจ้าสองพระองค์นั้นในการของพระพุทธเจ้าสุเมทะพระโพธิสัตว์สวยพระชาติเป็นมนุษย์ชื่อว่าอุตระสละทรัพย์แปดสิบโกด ที่ฝังเก็บไว้นั่นแหลถวายมหาทานแด่พระสงฆ์มีพระพุทธเจ้าทรงเป็นประธานได้ฟังธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าตั้งอยู่ในตรณะทั้งหลายแล้วออกปวดพระศาสดาแม้นั้นทรงพยากรณ์อุตรามานพนั้นว่าต่อไปในอนาคตอีกสาม0มื่นขับมานพนี้จากตัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพระนามว่าโคดมเพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่า เราได้เล่าเรียนพระสูตรและพระวินัยอันเป็นนวังฆศตุศาส ท, ทั้งปวงแล้วช่วยประกาศศาสนาของพระชินเจ้าให้รุ่งเรืองเราเป็นผู้อยู่อย่างไม่ประมาทในคำสั่งสอนนั้น ท, ทั้งในเวลานั่งยืนและเดินถึงความสำเร็จอภิญญาแล้วได้ไปเกิดในพรมโลกก็ใกล้เข้ามาแล้วนะอีกแค่เพียงสามหมื่นกัปก็จะได้ตัดรู้ เป็นพระพุทธเจ้าผ่านไปแล้วสีอสงไข์กับอีกเท่าไรเจ็ดหมื่นกับผ่านไปแล้วจากพระศาสนาของพระพุทธเจ้าสุเมทะนั้นในการของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าสุชาตะพระโริสัตว์ตัพระชาติเป็นพระเจ้าจักรพรรดิยิราได้ฟังข่าวว่าพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกได้มาฟังธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้า แล้วถวายราชสมบัติในทวีปทั้งสี่พร้อมด้วยรัตนาเจ็ดประการแก่ภิกษุสงฆ์ซึ่งมีพระพุทธเจ้าทรงเป็นประธานแล้วบวชในสำนักแห่งพระศาสด า, ศาเรียนพระไตรปิฎกได้เป็นผู้ถึงอภิญญาพละประชาชนชาวชมพูทวีปถือเอาทรัพย์ที่เกิดขึ้นในแว่นแควน้นรับหน้าที่เป็นผู้ทำนุบำรุงวัดได้ถวายมหาทานแก่ภิกษุสงฆ์ ซึ่งมีพระพุทธเจ้าทรงเป็นประธานพระศารสดาแม้นั้นทรงพยากรณ์พระโพธิสัตว์นั้นว่าภิกษุนี้จักตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในภายหลังจากพระพุทธเจ้าพระนาว่าสุชาตะนับจัดกลับนี้ไปแปดแสนกับในกลับหนึ่งพระพุทธเจ้าสามพระองค์คือพระพุทธเจ้าพระนาว่าปิยทัศนรีพระพุทธเจ้าพระนาวาอัฏทัศนี พระพุทธเจ้าพระนามว่าธรรมทัศนสีบังเกิดขึ้นแล้วในบรรดาพระพุทธเจ้าเหล่านั้นในการแห่งพระพุทธเจ้าพระนามว่าปิยทัศสีพระบริษัตวเกิดเป็นพรามานกชื่อว่าอัสสะศึกษาจบไตรเพศศึกษาจบไตรเพศแล้วพระบริษัตวนั้นได้ฟังพระธรรมเทศนาของพระศาสดาแล้วได้บริจาคทรัพย์หนึ่งแสนโกร ให้ช่างสร้างสังขารามตั้งอยู่ในตรระและศีลครั้งนั้นพระศาสดาทรงพยากร์พระโพธิสัตวา น, นว่านับจากนี้ล่วงไปอีกแปดแสนกับพราหมณ์นี้จากตัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพระนามว่าโคดมจากพระศาสนาของพระพุทธเจ้าปิยทัศนีนั้นในการแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าอัฏฐทัศนี พระโพธิสัตว์สวยพระชาติเป็นครามมหาสาลชื่อว่าสุสีมะในจำปานครได้ให้สมบัติทั้งหมดแก่คนกำพร้าคนเดินทางคนร้องเพลงขอทานและยาจกแล้วเข้าสู่ป่าหิมพานต์บวชเป็นดาบทบำเป็นเพียรจนสำเร็จอภิญญาห้าอยู่มาได้ฟังข่าวว่าพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกแล้วมาฟังพระธรรมเทศนา ของพระาศาสดามีจิตเลื่อมใสได้นำดอกไม้ทิพย์มีดอกมณฑารบและดอกปาริฉัตรเป็นต้นมาจากโลกสวรรค์แล้วโปรยปลายเป็นฝนดอกไม้ดุดมหาเมฆที่พัดแผ่ไปทั่วทั้งสี่ทวีด้วยอนุภาพของตนได้แสดงมนดบเจดีดอกไม้เสาระเนียตและตาข่ายทองคำเป็นต้นโดยรอบแล้วบูชาพระทศพลด้วยฉัตรดอกไม้ พระศาสดาแม้นั้นทรงพยากรณ์ดาบทนั้นว่าดาบทนี้จากตักรู้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตจากพระศาสนาของพระพุทธเจ้าอัตตทัศน์นั้นในการแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าธรรมทัศนีพระโพธิสัตว์สวยพระชาติเป็นเท้าส ก, กะเทวราชอันเทวดาในโลกทั้งสองก็คือจตุมมหาราชิกากับดาวดึงนะ แต่ว่าในที่นี้ท่านแสดงว่าโลกทั้งสองก็คือมนุษยโลกกับเทวโลกแต่ว่าเท้าสกะนี้ป ก, กครองในโลกทั้งสองก็คือชาตุมกับชั้นดาวดึงนะก็แวดล้อมแล้วบูชาพระถาคตด้วยดอกไม้ของหอมและดนตรีทิพย์พระศาสดาแม้นั้นทรงพยากรณ์เท้าสกัดนั้นว่าเท้าสกัดนี้จากตัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตไปหลังจากพระพุทธเจ้าธรรมทักษีนั้น นับจากนี้ไปเก้าสิบสี่กับในกับหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าสิท ธ, ธัตถะเสด็จอุบัติขึ้นแล้วในครั้งนั้นพระโพธิสัตว์เกิดเป็นพรามชื่อว่ามังคละศึกษาจบไตรเพศศึกษาจบคำภีพระเวทและคำภีบริวารได้ให้ซั์นับจำนวนหลายโกตเป็นทานแล้วออกบวชสำเร็จฌานและอภิญญาอยู่ในป่าหิมพาน ได้ฟังข่าวว่าพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกจึงมาถวายบังคมได้ฟังธรรมกถานำผลว่าผลใหญ่ถวายให้ภิกษุสงฆ์ซึ่งมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานฉันพระศาสดาแม้นั้นทรงพยากรณ์ดาบทนั้นว่านับจากนี้ไปอีกเก้าสิบสี่ขับดาบทนี้กับศัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพระนามว่าโคดมใกล้เข้ามาแล้วเพียงอีกเก้าสิบสี่ขับเท่านั้น ภายหลังจากพระพุทธเจ้าพระนามว่าสิทธัตถะนั้นนับจากนี้ไป92กับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสองพระองค์คือพระพุทธเจ้าพระนามว่าติสสะพระพุทธเจ้าพระนามว่าพุทสะหรือว่าบางที่ก็แสดงว่าเป็นพุทธสะเสด็จอุบัติขึ้นแล้วในบรรดาพระพุทธเจ้าเหล่านั้นในการแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าติสสะ พระพฤิัต์สวยพระชาตเป็นพระราชาพระนามว่าตุชาตะในยัสระวดีนครทรงสละสิริราชสมบัติออกบวชเป็นนาบทได้เป็นผู้มีฤทธานุภาพมากนาบทนั้นได้ฟังข่าวว่าพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกเกิดปีติห้าอย่างเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถวายบังคมแล้วไปยังเทวโลกด้วยฤทธิ์เข้าสู่อุทยานจิตตลดา บรรจุดอกบาริฉัดดอกปฐุมและดอกบนทารบเป็นต้นจนเต็มพระอบรัตนะประมาณสามาวุธสิบสองกิโลเมตรั้งสามขวุฒมาบูชาพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยดอกไม้มีกลิ่นหอมและได้ยืนกั้นร่มดอกปทุมดุดฉัดดอกหนึ่งมีด้ามแก้วมณีมีช่อเป็นทองคำมีใบเป็นแก้วทับถิ่นมีเกสรหอมท่ามกลางบริษัทสี พระผู้มีพระภาคเจ้าแม้นั้นได้ทรงพยากรณ์ดาบทนั้นว่านับจากนี้ไป92กับดาบทนี้จากตัทร้เป็นพระพุทธเจ้าพระนามว่าโคดมภายหลังจากพระพุทธเจ้าพระนามว่าติสะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าพุทสะเสด็อุบัติขึ้นแล้วในโลกในครั้งนั้นพระโพธิสัตว์สวยพระชาติเป็นกษัตริย์พระนามว่าวิชิตาวี ในอรินทะมะนะครได้ทรงสดับธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วทรงเลื่อมใสได้ทรงถวายมหาทานแล้วทรงสละราชสมบัติจำนวนมากออกบวชเป็นพระมหาเถระผู้ทรงพระไตรปิฎกเป็นพระธรรมกถึกพระศาสดาแม้นั้นทรงพยากรณ์พระโพธิสัตว์นั้นว่านับจากนี้ไปเก้าสิบสองกัป ทิกสูนีจากตัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพระนามว่าโคดมหลังจากพระพุทธเจ้าพระนามว่าพุษะนั้นในกับระหว่างนั้นพระศาสด า, าพระนามว่าวิปสัสสีเสด็จอุบัติขึ้นในโลกพระโพธิสัตว์สวยพระชาติเป็นพญานาคนามว่าอตุระมีฤทธานุภาพมากแวดล้อมด้วยนาคหลายแสนโกรธได้สร้างบรรบทด้วยรัตนเจ็ดประการ เพื่อพระทศพลกับบริวารได้ถวายข้าวน้ำทิพเป็นมหาทานเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ได้ถวายตังขนาดใหญ่ที่รุ่งเรืองด้วยรัตนะต่างๆทำด้วยทองคำแก่พระผู้มีพระภาคเจ้าแม้พระศาสดา พ, พระองค์นั้นก็ทรงพยากรพญานาคนั้นว่านับจากนี้ไปอีกเก้าสิบเอ็ดกับพญานาคนี้จากตัตรูเป็นพระพุทธเจ้า หลังจากพระพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีนั้นนับจากนี้ไปสามสิบเอ็ดกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสองพระองค์คือพระพุทธเจ้าพระนามว่าสิกขีพระพุทธเจ้าพระนามว่าเวสภูเสดอุบัติขึ้นแล้วในบรรดาพระพุทธเจ้าเหล่านั้นในการแห่งพระพุทธเจ้าพระนามว่าสิกขีพระโพธิสัตว์สวยพระชาติเป็นพระราชาพระนามว่าอรินธรรม ในปริภูตะนะครทรงนำพระผู้มีพระภาคเจ้าไปสู่นครของพระองค์ทรงถวายมหาทานเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์แล้วทรงถวายผ้าเป็นคู่คู่ทรงบูชาหัตถีรัตน์ของพระองค์แล้วได้ทรงถวายสิ่งของที่ควรบริโภคประมาณเท่าช้างพระศาสดาพระองค์นั้นทรงพยากรพระราชานั้นว่าพระราชานี้จักตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า จากพระศาสนาของพระพุทธเจ้าสิกขีนั้นในการแห่งพระผู้มีพระพาเจ้าพระนามว่าเวสภูพระโริสัทวสวยพระชาติเป็นพระราชาพระนามว่าสุทัศนะในธระพระวดีนครในธละพระวดีนครเมื่อพระผู้มีพระพาเจ้าเสด็จเข้ามายังพระนครของพระองค์ได้ทรงสดับพระธรรมแล้วทรงมีพระไัยเลื่อมใส ได้ถวายมหาทานพร้อมทั้งจีวรแก่ภิกษุสงฆ์ซึ่งมีพระพุทธเจ้าทรงเป็นประธานแล้วได้ทรงสร้างพระคันธกุฎีเพื่อเป็นที่พักของพระผู้มีพระภาคเจ้าในสถานที่นั้นโปรดให้สร้างวิหารหนึ่งพันหลังแวดล้อมพระคันธกุฎีนั้นทรงสละสมบัติทั้งหมดในศาสนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วเสด็จออกผนวดในสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้น ทรงเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยอาจาระคุณเป็นผู้ยินดียิ่งในทุดงสิบสามข้อพระศารสดาพระองค์นั้นทรงพยากรณ์พระโพธิสัตว์นั้นว่าอีกสามสิบเอ็ดกับในอนาคตเพ็กสุนี้จกตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพระนามว่าโคดมหลังจากพระพุทธเจ้าพระนามว่าเวสภูนั้นในมหาพัทธรัตนี้ซึ่งมีพระพุทธเจ้าอุบัติห้าพระองค์คือ พระพุทธเจ้าพระนามว่ากะกูสันทะพระพุทธเจ้าพระนามว่าโกนาคมณะพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสะพระพุทธเจ้าของเราทั้งหลายและพระพุทธเจ้าพระนามว่าเมตรตรในอนาคตในบรรดาพระพุทธเจ้าเหล่านั้นในการแห่งพระพุทธเจ้าพระนามว่ากะกูสันทะพระโพธิสัตว์สวยพระชาติเป็นพระราชาพระนามว่าเขมะ ทรงถวายมหาทานพร้อมทั้งบาทและจีวรแก่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าทรงเป็นประธานทรงถวายยามียาเป็นมียาตาเป็นต้นและสมณบริขาอื่นๆจํานวนมากได้ทรงสดับพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นแล้วทรงมีพระไทยเลื่อมใสทรงประหนดในสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้าอย่างพระศาสนาให้งดงามแล้ว พระศาสดาพระองค์นั้นได้ทรงพยากรณ์พระโพธิสัตว์นันว่าในกับนี้แหลในอนาคตเพี้ยกตัวนี้จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพระนามว่าโคดมก็เหลืออีกเพียงสองสององค์พระพุทธเจ้าอีกสององค์เท่านั้นนะจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าของเราละหลังจากพระพุทธเจ้ากกุสันธานั้นพระศาสดาพระนามว่าโกนาคมาณะ เสดอุบัติขึ้นแล้วในโลกในครั้งนั้นพระโพธิสัตว์สวยพระชาติเป็นพระราชาพระนามว่าบันพศในมิถิลานครพระเจ้าบันพศนั้นเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จมาถึงมิถิลานครได้ส่งต้อนรับถวายบังคมนิมนต์ถวายมหาทานแล้วทูลขอให้ประทับอยู่จําปรรษาได้ทรงบํารุงพระศาสดาพร้อมพระสาวกสองตลอดไตรมาส แล้วได้สรงถวายผ้าไหมผ้าขาวที่สะสมไว้ผ้ากำพลผ้าไหมและผ้าเปลือกไม้เนื้อดีผ้าที่มีราคาแพงและเนื้อดีรองเท้าทองคำเป็นต้นและสมณบริขารอื่นๆอีกจำนวนมากพระศ า, ศาสดาแม้พระองค์นั้นได้สรงพยากรพระโพธิสัตว์นั้นว่าในพัทธรกับนี้พระราชาพระองค์นี้จากตัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพระนามว่าโคดม ในการต่อจากศาสนาของพระพุทธเจ้าโกนาคามณะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่ากัสสปะเสด็จอุบัติขึ้นแล้วในโลกในครั้งนั้นพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นมานพชื่อว่าโชติปาละศึกษาจบไตรเพศได้เป็นทหายของช่างปั้นหม้อชื่อว่าคติการะโชติปาละมานพนั้นเข้าไปเฝ้าพระาศาสดากับช่างปั้นหม้อนั้นได้ฟังธรรมกถาแล้วบวช เป็นผู้ปรรบความเพียรเรียนจบพระไตรปิฎกอย่างพระพุทธศาสนาให้งดงามแล้วพระสาสดาพระองค์นั้นทรงพยากรณ์พระโพธิสัตว์นั้นแล้วว่าภิกษุนี้จักตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพระนามว่าโคดมในการต่อจากศาสนาของเราก็กับสุดท้ายนะแล้วก็พระพุทธเจ้าองค์สุดท้ายด้วยต่อไปก็จะได้ตรัสรู้ พระโพธิสัตว์ได้รับการพยากรณ์แล้วในสํานักของพระพุทธเจ้า24พระองค์มีพระพุทธเจ้าพระนามว่าทีปังกรและโกนธัญญะเป็นต้นเหลา่านี้อย่างนี้เป็นประดุจดังว่าเราจะถือเอาความเป็นพระพุทธเจ้าในวันนี้เราจะถือเอาความเป็นพระพุทธเจ้าในวันนี้อดกลั้นทุกขอ น, นับประมาณมิได้ ด้วยความอุตสาหะที่เป็นไปไม่ขาดระยะบำเพ็ญบารมีทั้งหลายแล้วข้าพเจ้าขอนอบน้อมซึ่งพระโพธิสัตว์นั้นผู้ได้รับคุณอันยิ่งใหญ่ผู้มีโพธิสมผานเป็นแก่นสารผู้ล่วงแล้วซึ่งหนทางแห่งการนับผู้มีพระไถยเต็มเปี่ยมด้วยพระบารมีผู้ให้อวัยวะมีมือเท้าและศีรษะเป็นต้น ผู้ยินดีในการเกื้อกูลผู้อื่นเป็นนิดการพันธนาการพยากรในคำพีชินาลังการะที่ให้ความเพลดิดเพลินแก่สาธุชนจบแล้วด้วยประการชนิดก็ขออนุโมทนาสาธุการแด่ท่านทั้งหลายผู้ที่ได้ศรัท ธ, ธาปฏิปิปโมทในคุณของพระสัมมาสัมพมุทธเจ้าผู้ที่แม้เมื่อครั้งเป็นผู้บริสัทธ์ก็สังสมบ ร, รมีอัน กระทำได้แสนยากจนกระทั่งได้บรรลุปเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปแล้วขอให้ท่านทั้งหลายได้อบรมคตธาปีติประโมทนี้เพื่อเกือ้อกูลแก่ไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญาเพื่อจะได้ตัดรู้เป็นสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาค ต, ตการอันใกล้นี้ด้วยเถินสาธุสาธุสาธุ